ไปายกายปลายวาจาปลายจิตรักษาสามปลายหายสามโทษตะละท่านว่าโทษที่เกิดจากกายของคนก็มีโทษที่เกิดจากวาจาของคนก็มีโทษที่เกิดจา ก, ก, ก, ททกจากกิตใจของคนก็มีจไม่ขอบีเฉดภ็ษาใจไม่ชิดตัดทุ่มไล่เขาไม่ไพบาดปองไล่เขาไม่เห็นผิดจากตํานองของธรรมนี่ขอบของจิตขอบรั่วของจิตใจ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 คนเราคนหนึ่งละที่ช่วยสังคมให้ยูเย็นเป็นสุขแรงออกช่วยกันมีเมตตากรุณาชีวิตของเรามันทำรายได้สําเร็จทำความดีได้สําเร็จแล้วความช่วยได้สําเร็จจากจะตากแดดก็มีแสงแดดอาบตากได้อาบได้จะหายใจก็มีอากาศหายใจได้จยากกินพริกขี้หนูสักต้นหนาพริกมาปลูกก็ได้ได้หรลพาสักต้นหาโหระพามาปลูกก็ได้ แต่ลอบก็มีผักที่กินรอบว่านเหมือนคุณมนนิภาบันไดเคล็ดว่านก็มีผักคนซื้อผักซื้อของมากินน่าสงสารเอาสงุงผักเด็กไปหิ้วมาจากร้านเราตั้งชื่อว่าตลาดสดมันก็ไม่สดอะไรเราเล่อยแรงวันอยู่ไปยืนซื้อเอาจากเขาไม่สดเลยถ้าเราผูกใบนี้นก็สดจริงๆสุกโตอันนี้ไม่ใช่พูดมันจะสอน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 ป่าญาพงป่าญาแล้วคนที่มีปัญญาโคว่ะ อ, อีกสักเดือนหนึง่นปปนงก็เป็นรูปเป็นลางขึ้นมาผมดูอย่างนั้นเป็นรูปเป็นลางขึ้นะอ้ามีฉลามีไอทํากันนอ้า ว, าาวนี่คนมีปัญญาอ๋อยานโนเตอร์มนัดเดินรอบวัดปาสุกโตเป็นแผนที่ออกมาเพราะอะไรเพราะมีปัญญาแต่ไม่ทันเว่อเดินรอบวัดสุกโตเป็นแผนที่กี่เม็ด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 อายุมันเกิดที่ตรงไหนสามารถรู้โลหน้าได้สี่ชั่วโมงเ0ตชิตารางกิโลเมตรสามารถป้องกันได้นี่คนมีปัญญาแล้วเราไม่มีปัญญาคอจะหอบสิ่งของของเลาฝนตกลมพัดคนมีปัาเขาเตรียมตัวได้เราก็ต้องอาศัยคนพวกนี้เพราะเรานั่งอยู่นี้มีปัญญาอะไรเอามาช่วยกันหลวงตาเาม่มีปัญญาแบบเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์มีปัญญานี่เด็ดเดียวทีเดียว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 ขมของต้นไม้เล็กๆต้นไม่เล็กอาศัยต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนสังคมเราเราก็มีสังคมมีลูกมีหลานมีเหรนมีหล่อนมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็อยู่เหมือนสังคมของต้นไม้ต้นไม้ก็มีสภาพแบบนั้นเหมือนกันแต่หนึ่งไอ้ต้นเล็กก็อาศต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ต้นใหญ่อาศัต้นไม้ต้นเล็กดีเราไม่รู้เราถือว่าเราแข่งกว่าทั้งหมดไม่ใช่เลยอย่างคนตัดกอไผ่ง่ายไผ่ ราะว่าไม้ไผ่มันมีหน่อลักษณะสองสองอย่างหนอไผ่เคเห็นไหมจะหน่อดังดินมันจะออกไปไกลไกลมันจะมียอดบวบๆออกไปไกลกอแสดงว่ามันเป็นไม้ดินญพันธุ์มันจะสืบแทนพ่อแม่ของมันพ่อแม่ของมันแก่แล้วมันจะเป็นเินญพันธุ์ไปออกดอกไกลไกลอย่าไปจับมันมากิน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 ตอนเราจึงโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาที่เกิดมาเป็นคนไทยมีพระมหากระจัดมีพุทธศาสนาัพระเจ้าจากฉินเลยพูดเอว้เคยได้ยินไหมท่านพ่าชอบมาอ่านตัวข้าที่ว่าพระเจ้าตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาขอถาวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชา แต่พตระารยศาสนาสนพระโคดมให้คงทนคงอยู่ได้ห้าพันปีสมนักสามคีปพฤติแห่งเหมาะสมปฏิบัติสมตะวาจนาพ่อชื่นชมโอเแววบังคงมปลอยพระบาทพาระาศาสดาถ้าคิดถึงพ่อพ่ออยู่กับเจ้าชาติของเราคู่กับพระศาสนาพระศาสนาคงอยู่คบรบจัตตาศาสดาฝากไว้ใหู้่กัน พระเจ้าตากเศษเป็นผู้กู้ชาติประเทศไทยเอาไว้ให้เรามีแผ่นดินอยู่เราไม่เหมือนนกนกกะทวีบาอเมออริกามันหนีหนาวมาอยู่สุกโตเอามาอ่านดูประวัตินกแบบนี้มาจากโน่นนะโอ้ยมันเดินอยู่รอบกันเดิหนหาเสียงมันหนีหนาวมาพึ่งผืนแผ่นดินไทยต่คนไทยนี่ไปไมานะได้หรอกเขอยู่วงลากวาลากันได้เขาจับเขาจะไปวังลาวคุณพร้อเขาไม่ไปต้องเสียเงิน